ยุให้ลูกน้องกัดกันือางั้นไอ้ลูกน้องเมื่อกัวเจ็บเหมือนกันทำท่าไล่กันไปทำท่าไล่กันมาอยู่กันหนกันเราเห็นแล้วก็หัวเลาะเหมือนกันสัตว์ทิราชาันถ้าต่างคนต่างอยู่ซะก็หมดเรื่องวัดของเราทั้งกว้างขวางทั้งพันกว่าไรอยู่ทั้งมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็จบอันนี้นะอยู่ที่ไหนก็คงจะมาอวดจักดากันต้องดูมามม่จะมากัดกันอีกตังหาก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 มันจะหนิงเขี่ยวเสยมันจะกัดถ้าตัวไหนเป็นลักษณะอย่างนั้นบอกนะจับตัว น, นั้น่ะออจับยังไงนะนู่นมันมีกรงอยู่เอาอาหารเข้าไปในกรงอล้ล่อเข้าไปในกรงจากนั้นก็จับเลยจับนู่นเอาไปโผดนเอภาษาอีสานก็เอาไปผด น, นไปผดค่อยๆเอาไปเอาไปทิ้งในป่าลึกๆนนู่นไปวัดป่าบ้านเพิ่มเอาไป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 อะไรเลยนะไม่มดนะีเอาลิงม า, มาปล่อยนะท่านก็ไม่พูดอะไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อกขนลิงไปขนลิงเกือบสองร้อยตัวมั้งเอาจากนาคำน้อยไปวนะเนี่พ่อลิ้งมันพ่อหมูเนะี่ยมันเป็นฝูงรูปแบบเยโอ้ขึ้นไปฉีกไอ้พวกต้นดอกไม้ท่านไหนที่มาปลูกรอบๆเจดียนะ์นั่นไขึ้นไปบนหลังคาไอ ตึกสาลาลายแถวๆนั้นเลยท่านบอกว่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาอีกแล้วเหมันกันพอแล้วก็ไร เ, เอาไปปล่อยทางอื่นเยเอาเลยไปปล่อยทางอื่นหนึ่งไปปล่อยทางบ้านนาแค่ไปทางปล่อยทางหลุบปเปล่าไปปล่อยทางบ้านเพิ่มแต่แถบนั้นไปปล่อยแล้วไม่มาหาคนนะมันก็แปลกเหมือนกันนะ่ะพามันป่ามันกว้างปล่อยมันก็เข้าดงเล็บไปเลย แต่ที่ของวัดเรามันที่จำกัดถึงจะเป็นพันไร่ก็จริงอยู่แต่ร้อมรอบมันเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเป็นสวนยางทั้งหมดมันออกหากินไม่ได้เนี่ยมันก็เลยอยู่ในวัดของเราในวัดของเราเป็นมันก็มีพวกผลละหมากลากไม้มีภากพวกต้นทรงต้นไส้ตุกใบไม้ที่มันอาหารเก่าแก่ของมันเป็นอาหารธรรมชาติ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 76สบหปีพรรษาห้าสิบห้าเป็นพระเทราผู้ใหญ่ในเขตอำเภอนายูงของเราออกจากหลวงปู่แผงก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่มีอายุพรรษามากที่สุดเน่ในช่วงนี้ในเขตนี่แหละนำโสมนายูงต่อไปก็เป็นหลวงพ่อชาลีต่อมา ก, ก็หลวงพ่อสดที่มีอายุพรรษาหลวงปู่แผงท่านมรณะภาพก่อนข้อพรรษาก็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 เพืนั้นพวกเราพุทธศาส น, นิกชนพวกเราท่านทั้งหลายควรจะเทิดทูนบูชาเพราะพวกเราเชื่อในบาปุลคุณโทษเชื่อในกรรมดีทำดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วทาดีได้ดีทำชั่วด้ชั่วบาปปุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก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 ท่านไปที่ไหนท่านก็บสอสุขหนอสุขหนอเพราะอะไรสุขมันไม่อยู่ที่ไหนมันสุขอยู่ที่ใจของท่านคิดขึ้นมาแล้วก็เ อ, อิบอิ่มอิ่มอิ่มเอิบในจิตในใจไม่ได้ทำความชั่วช้าเสียหายอะไรทั้งหมดพวามพอใจความเต็มอิ่มในจิตในใจของท่านท่านไปณสถานที่ใดท่านว่าสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเจือปนทะะ่านขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ภาวนาเน่ะ จะหาความสุขหาที่ไหนไม่เจอหรอกหาได้ที่ใจที่ใจของเราหนาหาเจอได้ที่นั่นทาไปหาที่อื่นหาไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์ค้นคว้าเท่าไหร่ยิ่งทุกข์ถ้าหาที่ใจเราจะสุขเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ดูที่ใจดูที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจรับพรอนุโมทนาให้พร